กันที่สามธานกันมีสองร้อยเก้าพระคาถาปุสติอิโขเทวีปุตตะเมตุกะสาตนังอาคตังกิ น, นุขโขโกรติอหังคันตาวาชานิษสามีติปฏิจันนะโยเคนะคันตาวาสิริไสยณนะ ทัพตะทวารีพิตาเตสังตรระราปังสุตวากะรูนังตริเทวีตินะบัดนี้อตาตมภาพจะได้รับประทานวิจตัชนาแสดงพระสัตธรรมเทศนาในเวทันดรชาดกกันที่สามทานกันสืบอนุสนทิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินเนื้อความตามกระแสวาระพระบาลีต่อไปนี้สืบต่อจากกันที่สองคือการยิมมาพานมีเนื้อความว่าในขณะที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์พระราชทานช้างเถือกตัวประเสริฐซึ่งเป็นช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองที่มีนามว่าปัจจัยนาคแก่พรามทั้งแปด ซึ่งนำโดยพรามที่มีชื่อว่ารามะที่มาจากเมืองกริขราตนั้นเทวดาได้เข้าโดนใจให้ชาวเมืองสีพีเหล่านั้นเกิดความโกรธแทนเคืองพระเวสสันดรได้กราบทูลให้พระเจ้าสันชัยเนรเทศพระเวสสันดร อ, ออกจากเมืองเสียซึ่งพระเจ้าสันชัยก็รับปากที่จะกระทําตามความประสงค์ของชาวเมืองสีพี แล้วสั่งให้นักการผู้หนึ่งนำข่าวไปแจ้งให้พระเวสสันดรทราบต่อไปก็จะได้แสดงเนื้อความในกันที่สามคือทานาการตืดต่อไปดำเนินเนื้อความว่าพุทธตีติโคเทวีในครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระนางพุทธดีได้ทรงสะดับข่าวสารว่าพระมิ่งโมลีนารุเบศเวสสันดรจะถูกขับออกจากพระนคร พระนางจึงทรงพระดำริว่าบัดนี้ลูกของเราจะทาอย่างไรหนอเราควรจะไปเยี่ยมเยือนให้รู้แน่ครั้งทรงพระดำริอย่างนี้แล้วจึงเสด็จด้วยพระราชยานอันประดับประดา ป, ปกติมิทิษอย่างดีแล้วเสด็จออกจากพระราชวังของพระนางไปจนถึงพระราชวังของพระเวสสันดรราชโอรสยินโปรดให้หยุดพระราชยาน แล้วเสด็จขึ้นไปประทับยืนใกล้ห้องที่พระบันทมในเวลานั้นพระนางได้ทรงสดับธรรำท่ามสนทนาของพระรา ช, ชโอรสและพระสุนิสาพระนางจึงทรงกันแสงร่ำให้ร่ำครวรอย่างน่าสงสารมีดำ่ริว่าเราจะกินยาพิษให้ตายจะดีกว่าหรือมิฉนั้นเราก็จะกระโดดหิวให้ตายจะดีกว่า หรือไม่เราก็จะปูกคอตายเสียดีกว่าเหตุดใดชาวเมืองศรีพีจิงไล่เวสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เป็นนักปราดผู้เป็นทานบดีมีความเป็นใหญ่ในการให้ทานผู้เป็นที่รักนับถือของกษัตริย์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติมารดาบิดาทั้งยำเกรงผู้เท่าผู้แก่ในราชตระกูลผู้ทำประโยชน์ให้กับกษัตริย์ทั้งหลาย ตลอดถึงญาติมิตรและสหายบ้านเมืองเช่นนี้รั้นเมื่อคร่ำควรวญอย่างนี้แล้วจึงทรงปลอบราชโอรสและราชสุนิสาสีสะพยเสร็จแล้วจึงเสด็จไปเศ้าพระเจ้ากรุงสันชัยเมื่อไปถึงจึงกราบทูลว่าถ้าแต่สมมุติเทศเมื่อชาวเมืองสีทีพากันขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดให้ไปเสียจากพระนครแลว้ว บ้านเมืองของพระองค์จะเป็นเหมือนรังพึ่งที่ไม่มีแม่หวงแหนจะเป็นเหมือนมะม่วงที่ล่วงหล่นลงสู่พื้นดินก็คือจะเป็นของที่สาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายส่วนพระองค์เล่าเมื่ออมาะทั้งหลายพากันทอดทิ้งแล้วก็จะต้องลำบากอยู่แต่พระองค์เดียวเหมือนกับพยาหงษ์ตีหักอันจมอยู่ในปรับโพนตม ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ฉะนั้นขอให้พระองค์อย่าให้ประโยชน์เหล่านี้ล่วงไปเสียประเปล่าเลยอย่าให้ราชสมบัติของพระองค์ขาดผู้สืบทอดเลยคือขออย่าได้ทรงขับอะไรเพระเวทสันดรตามคำขอของชาวศรีพีเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้ากราุงสันชัยผู้เป็นพระราชาสวามีจึงตรัสตอบแก่พระนางผุดตีว่าเนีพระน้องผุดตีผู้เจริญ ความจริงพระเวสสันดร น, นี้เป็นที่รักของเรายิ่งกว่าชีวิตแต่เพราะพระเวสสันดรได้กระทําความผิดเราจรึงจําเป็นต้องขับไล่เขาทั้งๆ ท, ที่พระเวสสันดร น, นั้นเป็นเหมือนธงชัยของชาวพระนครสีพีเลยทีเดียวแต่ที่ต้องทําอย่างนี้เพราะมีความเคารพมีความยำเกรงต่อโบราณขัตยราชประเพณีธรรมแห่งเมืองสีพีเพราะฉะนั้นเราจรึงจําเป็นที่จะต้องทํา ขอเจ้าจงทราบถึงประการนี้ด้วยพระนางพุทธดีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็อัดอั้นตันพระไทยได้ แ, แต่ก้มพระพักทรงพระกันแสงร่ำให้สะอึกสะื่นที่ารรำพันถึงพระเวทสันดรราชโอรสและพระนางมัสธีศรีสะัสย้ยด้วยประการต่างๆว่าในการก่อนย่อมมีธงปลิวสวัยแห่แหนตามพระเวทสันดร ซึ่งเสด็จไปในที่ต่างๆทั้งเหล่าเสนาในก็เคยตามเสด็จแห่เห็นเรากับดอกกั น, นิกาอันบาลแล้วแต่วันนี้จะต้องเสด็จแต่ผู้เดียวแต่ก่อนเคยเสด็จด้วยช้างพระที่นั่งพระวอวหรือรถพระที่นั่งวันนี้พ่อต้องเสด็จไปด้วยพระบาทเมื่อก่อนเคยทรงรูปร้ายด้วยผงแก่นจันหอม เวลาตื่นจากบรรทมก็จะถูกปลุกให้ตื่นด้วยการฟรอนรำขับร้องแต่ต่อ น, นี้ไปจะต้องทรงหนังเสืออันหยาบผุกระและถือเตียมหาบครารอันค้อนเครื่องบริคารแห่งดาบ ท, ทุกอย่างไปเองไม่มีใครนำผ้ากาสาวะและผ้าหนังเสือไปให้เมื่อพระเวสสันดรเข้าสู่ป่าใหญ่ใครจะช่วยแต่งองค์ด้วยผ้ า, าคากรองเปลือกไม้ ทำไมจึงไม่มีใครทอผ้าป่านไว้สำหรับใช้ในเวลาที่เจ้านายทรงผนวดจะได้ทรงผ้าป่านนี้ได้ส่วนแม่มัตสีเล่าจะนุ่งห่มผ้าคากรองที่ทําด้วยเปลือกไม้อย่างไรได้แม่มัตสีเคยทรงภูษาอันงดงามที่มาแต่แหวนสาสีและผ้าโมพัดผ้าโกทุมพรพัดบัดนี้จะทรงผ้าคากรองอย่างไรได้ อีกทั้งแม่มัตตีเธอก็เป็นผู้มีรูปร่างโอดสองคเคยทรงแต่คานหามบัวทองและราชรถบัดนี้เธอจะต้องดำเนินไปตามทางด้วยพระบาทแม่มัตตีเคยมีฝ่าเท้าอ่น อ, อนนุ่มไม่เคยทำงานหนักมีแต่ความสุขอยู่อย่างเดียวจะไปทางไหนก็เคยแต่สวมรองเท้าทอง ย่อมเดินนำหน้าพวกข้าหลวงจำนวนนับพันวันนี้จะต้องเดินตาคนเดียวอยางใรได้แม่มัดสีผู้มีขวัญอ่อนเมื่อไปได้ยินเสียงสุนัขป่าสุนัขจิ้งจอกหรือนกเค้าร้องขึ้นก็จะตกใจกลัวจากมสดเศ้าระทมทุกข์ไปนานเหมือนกับนางนกอันนายพรานพรากเอารูกไปจากรังตัวแม่เองเมื่อไม่เห็นลูกรักทั้งสอง แม่ก็จะต้องเป็นทุกข์ไปตลอดกาลนานอันเป็นที่อยู่ของลูกก็จะว่างเปล่าเมื่อแม่มาแล้วก็จะไม่ได้และเห็นลูกอีกต่อไปด้วยความทุกข์เศร้าโศกที่สมอยู่ในอกของแม่อันเกิดแต่ความพัดพรากจากลูกแม่ก็จะผายผมมีผิวเป็นสีเหลืองจิตใจก็จะหมุนหมองไปด้วยความทุกข์ตลอดกาลนานเปรียบเหมือนแม่นกที่ถูกเบียดเบียน ด้วยการปลากลูกนกออกไปจากอกในรังก็จะมีแต่ความว่างเปล่าถ้าแต่พระเจ้าจอมภูมิบาลผู้ประเสริฐเมื่อเกล้ากระหม่อมฉันพ้เพลย์รำพันอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์จะขืนทรงขับไล่ซึ่งราชโอรสสต่แล้วหม่อมฉันก็จะต้องถึงซึ่งชีวิตเป็นเที่ยงแท้เมื่อพระนางผุดศดีได้ข้ามครวนอยู่อย่างนี้นางตนม์นนใน ตลอดถึงชาวสีพีทั้งปวงของพระเจ้ากรุงสันชัยเมื่อได้ยินเสียงกันแสงร่ำไห้ของพระนางพุทธดีในครั้งนั้นก็พากันข้ามครวญละห้อยให้จะเทือนใจส่วนผู้คนในนิเวศของพระเวสสันดรเองต่างก็พากันเศร้าโศกโอดครวญไป ต, ตามๆกันไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในพระราชวังทั้งสองจะดารงภาวะปกติของตนอยู่ได้ ได้พากันทุ่มทอดกายปริเวทนาการเหมือนดังว่าต้นรังอนนรืนรมได้ถูกพายุพัดให้หักโค่นลงฉะนั้นเป็นอันว่าทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาพระชายาในพระราชวังของพระเวสสันดรตลอดถึงพวกเด็กๆและพ่อค้าคาหาบดีพรามชีจตุรงทสันนิบาต ท, ทั้งสีเหล่าอันมีอยู่ในพระราชวังของพระเวสสันดร น, นั้น ได้พาการร่ำร้องที่ไรอยู่เต็งแท่ไปตามๆกันครั้นรุ่งเช้าพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เจ้าจึงเสด็จเข้าไปสู่โรงทานตรัสดับสั่งให้บริจาคพยาทานเครื่องนุ่งห่มแก่เหล่าผู้ต้องการผ้านุ่งห่มให้โภชนาหารแก่เหล่าผู้ต้องการโภชนาาหารตลอดจนสุราและเมรยัยก็รับสั่งให้จัดการเตรียมไว้ ให้แก่พวกนักเลีนสุราทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ใดผู้หนึ่งว่ากล่าวได้ว่าเมื่อพระเวทสันดรมีพระราชบัญชารับสั่งว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ผู้มาขอแต่เมื่อมาขอตุราแล้วกลับไม่มีเพื่อป้องกันคําคารหาเหล่านั้น ท, ท, ทั้งๆที่พระองค์รู้ว่าการให้สุราเมรัยเป็นทานนั้นไร้ผลไม่มีประโยชน์แต่พระเวทสันดรก็รับสั่งให้จัดเตรียมสุรา และมีลายไว้ให้แก่นักเรียนสุราทั้งหลายด้วยแล้วกาชับแก่พวกทาหารทั้งหลายว่าจงให้อาหารแก่ผู้ต้องการอาหารอย่าเบียดเบียนแก่ผู้รับทยทานเป็นอันขาดจงพากันเลี้ยงดูพวกเขาผู้มารับทานให้อิ่นน้ำสำราญด้วยอาหารและน้ำดังนี้ต่อจากนั้นพระเวสสันดรก็ทรงบริจาคสัตตะสัตกระมหาทาน ซึ่งสัตตะสัตรกรรมหาทานนั้นก็คือการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่โดยมีวัตถุสิ่งของที่ใช้ในการบริจาคเจ็ดอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างนั้นก็มีจํานวนเจ็ดร้อยจึงชื่อว่าตัตตะสั ต, รส ต, รสตรกรรมมหาทานสัตตะสัตกรรมหาทานนั้นประกอบด้วยช้างเจ็ดร้อยเชือกม้าเจ็ดร้อยตัวรถเจ็ดร้อยคันสตรีเจ็ดร้อยนาง โคนมเจ็ดร้อยตัวทาเจ็ดร้อยคนทาสีเจ็ดร้อยคนและในขณะนั้นเทวดาทั้งหลายที่เที่ยวป่าวร้องประกาศให้บรรดากษัตริย์รามแทสสูตรทั่วทั้งชมพูทวีปเดินทางมาเพื่อที่จะรับพระราชทานสิ่งของจากวทวีสันดอนในคำภีอัตกรกถากระกาวไว้ว่าในครั้งนั้นพวกกษัตริย์ พรามแพทย์และสูตรต่างมากันพร้อมหน้าซึ่งการมานั้นก็มาด้วยอำนาจแห่งเทวดาเมื่อบุคคลเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วพระเวสสันดรบรมกรษัตริย์ก็ทรงพระโสมนัสกีดาได้พระราชทานนางกษัตริย์เจ็ดร้อยนางนางหนึ่งหนึ่งนั่งอยู่ในรถสวมสร้อยคอทองคำประดับกายแล้ว ล้วนแล้วแต่เป็นสัพพะอาภรณ์อันอลังการและนางกษัตริย์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีหน้าตาอันงดงามยิ้มแย้มแจ่มจใสพระเวสสันดรได้พระราชทานนางกษัตริย์เจ็ดร้อยนางแก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มาถึงแล้วโดยอาศัยการตกลงพร้อมใจยินดีของนางกษัตริย์เหล่านั้นนอกจากนั้นประเวสสันดรก็ได้พระราชทานช้างพลาย700เจ็ดร้อยเชือก อันประดับด้วยเครื่องประดับพร้อมเสร็จด้วยขชารังการมีเครื่องรัดกลางตัวที่ทำด้วยทองคำคุมด้วยเครื่องประดับทองมีนายหัาจารย์ขี่ประจาหรือโตโมนได้พระราชทานม้าอีกเจ็ดร้อยตัวล้วนแล้วแต่เป็นม้าสินพบอาชาในที่มีสีเท้าอนรวดเร็วพร้อมทั้งผู้ขับขี่อันถือ ทวนและธนูดัพระราชทานรถจ0 0ร้อยคันอันประดับแล้วด้วยเครื่องปูราชปักทงชัยผุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงมีสารสีสวมเสื้อเกราหรือธนูขึ้นขับขี่พระราชทานแม่โคโนมเจ็ดร้อยตัวซึ่งล้วนแล้วแต่สมบูรณ์ตัวอ้วนทีพระราชทานทาสีเจ็ดร้อยคนและท่าเจ็ดร้อยคน แกบรรดาเหล่ากษัตริย์พราามแพทย์สูตรที่มารับพระราชทานไปพระนพระเวสันดรบริจาคมหาทานเสร็จแล้วก็ทรงประนมพระหัอธิษฐานว่าสัพพัญยุตยานักโวะมีอีทางปั จ, จโยโหติแปลใจความว่าขอให้สัตตะสัตตกะมหาทานที่เราบริจาคนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญยุตยานในการภายหน้านด้วยเถิด พอจบคำอธิษฐานมหาปตพีอันใหญ่ก็สะเทือนสถานหวั่นไหวด้วยเดชทานบารมีของหนอพระชิ น, นวรวเศษสันดอนโพธิสัตว์ซึ่งการที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นก็เป็นไปด้วยอำนาจของเทวดาที่ประจำอยู่ที่แผ่นดินเมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชานครเชตุดรนมีพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้น ต่างก็ร่ําให้ทีรัยรําพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เป็นเจ้าชาวศรีพีขับพระองค์ผู้ทรงบริจาคทานเสียจากพระนครพระองค์ก็ยังทรงบริจาคอีกฝ่ายเราผู้ที่มารับทานเมื่อได้รับทานแล้วก็พากัน ร, รํำพึงว่าได้ยินว่าบัดนี้ก็ราชาเวสสันดรจะเสด็จเข้าสู่ป่า ทำให้พวกเราหมดที่พึ่งจำเดิมแต่นี้ไปเราจะหาใครในการที่จะพึ่งพาอาศัยได้แล้วก็พาการร้องไห้ข่ามควรวนด้วยเสียงอันดังฝ่ายพระเวสสันดนบรบรมพระโพธิสัตว์เจ้าพร้้นทรงบริจากสัตตะสัตกรรมหาทานสมพระไทยแล้วถึงเวลาเย็นพระองค์จึงเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังด้วยมีพระดำริว่าเทืนนี้ เราจรึงจะเข้าไปกราบถวายบังคมลาพระราชมารดาและพระราชบิดาฝ่ายพระนางมัตตีก็ทรงมีดำริอยู่ว่าเราจะตามเสด็จพระราชสวามีไปแล้วจะกระทำให้พระสัตรุและพระสัตสุระคือพ่อและแม่ของพระาสวามีทรงอนุญาตจึงเสด็จไปพร้อมด้วยพระเวสสันดร ถึงเวลาอันสมควรพระเวสสันดรและพนางมัสีจึงเสด็จจากพระราชวังของพระองค์สรงเข้าเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วพระเวสสันดรจึงกราบบังคมทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศเป็นพิเศษบัดนี้ข้าพระองค์ขอกรุณาให้เนรเทศข้าพระองค์ไปสู่เขาวงกต ตามสมควรแก่โสสนุทษเถิดพระพุทธเจ้าข้าธรรมดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เกิดมาแล้วหรื อ, อยังจะเกิดมาในการต่อไปหรือที่เกิดอยู่ในเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่อินด้วยความสุขทั้งหลายทั้งนั้นส่วนข้าพระองค์ผู้บำเพ็ญทานอยู่ในปราศาสตรของตนก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เบียดเบียนชาวเมือง ถ้าพระองค์พอยอมไปทนทุกข์อยู่ในป่าใหญ่อันเกลื่อนกราดไปด้วยสัตว์อะไราตามถ้อยคําของชาวสีพีทั้งหลายข้าพระองค์ตั้งใจจะทําบุญเพื่อจะยกตนให้พ้นจากเปลือกตมคือกิเลสส่วนพระองค์ยังทรงยินดีจมอยู่ในเปลือกตมคือกิเลสเหล่านั้นดั่นพระเวสสันดรกราบทูลดังนี้แล้วจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชมารดาถวายบังคมลาว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าขอได้ทรงโปรดกรุณาให้เกล้าขมอมฉันทรงบรรพชาเถิดเกล้าขมอมฉันบำเพ็ญทานอยู่ในปร า, าสาทของตนเขายังว่าเป็นการเบียดเบียนชาวเมืองเพราะฉะนั้นเกล้าวมอมฉันยอมไปทนทุกข์อยู่ในป่าใหญ่อันเกลื่อนกลาดไปด้วยสัตว์ร้ายมีแรตเสือราชสีเป็นต้นตามคมของชาวสีที เกล้ากำหม่อมฉันยินดีไปสู่เขาบงกฎเพื่อได้โอกาสบำเพ็ญพรตบรรพชาพระพุทธเจ้าค่าฝ่ายพระนางผุสดีพระราชมานดาเมื่อได้สดับคำของพระเวสสันดรมาขอบรรพชาพระไทยของพระนางก็หวาดหวัน่นเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียพระไทยแต่ก็มิอาจจะทรงทัดทานห้ามไว้ได้จึงจำใจอนุญาตโดยตรัสว่า ดูก่อนเจ้าเวาสันดนรลูกรักแม่อนุญาตให้เจ้าบรรพชาได้ตามความปรารถนาแต่เจ้ามัตีลูกรักของแม่ขอให้เจ้าจงพานางมาอยู่กับแม่ในที่นี่เถิดพระเวสันดรจึงกราบทูลว่าอย่าว่าแต่มัตีเลยถึงแม้จะเป็นทาสีก็ตามถ้าเขาไม่พอใจจะติดตามเกล้ากำหม่อมฉันไปแล้ว เกล้ากระหม่อมฉันก็ไม่ยินดีที่จะให้เขาไปเพราะฉะนั้นถ้ามาัตตีไม่ยินดีที่จะติดตามไปก็จงอยู่เถิดแต่ถ้ามาัตตียินดีตามเกล้ากระหม่อมฉันเกล้ากระหม่อมฉันก็จะต้องให้เป็นไปตามความประสงค์นั้นในลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยได้ทรงสดับถ้อยคำของพระราชาโอรสจึงสเสด็จไปตรัสป้อนวอนพระสุนิสาสีสะพายว่า ดูก่อนเจ้ามัสตีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะรูปร่างของเจ้าชโลมด้วยผงแก่นจันแดงเจ้าจงอย่าได้ชโลมปุ่นแทนผงแก่นจันทนั้นเลยเจ้าเคยทรงผ้าที่มาจากแคว้นกาสีอันมีค่าอย่าได้ทรงผ้าคากรองที่ทําด้วยเปลือกไม้เลยเจ้าอย่าได้ติดตามพระเวทสันต์นไปเลยจงเชื่อคําของบิดาเถิด ในป่านั้นประกอบด้วยพยันตรายหลายประการหลายอย่างนักหนาเป็นต้นว่าปลกะแตนเหลือบยุงบุ้งริน้นสัตว์ที่น่ากลัวเหล่านี้อาศัยใกล้แม่น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีงูเหลือมอันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่มีกำลังแรงกร้า สามารถที่จะรัดมนุษย์หรือเนื้อที่มาปรมกลายด้วยขนดหานของตนมิใช่แต่เท่านั้นยังมีผูงสัตว์ ร, ร้ายอีกหลายหลากเช่นหมีอันมีขนหัวดำพอมันเห็นคนเข้าแลว้วย่อมไล่ติดตามขย้ำถึงจะหนีขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นมีทั้งควายเปลี่ยวซึ่งมีปลายเขาแหลมคมกริบท่องเที่ยวอยู่ใกล้แม่น้ำ ส่วนเจ้ามัตสีนั้นก็เปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนเวลาเห็นฝูงเนื้อและโคที่ท่องเที่ยวอยู่ในป่าจะทำอย่างไรได้เมื่อมัตสีเห็นลิงธโมนในกลางป่าก็จะต้องหวาดหวั่นฝันหายเพียงแต่มัตสีได้ยินเสียงสุนัขเวลาอยู่ในบ้านเมืองเช่นนี้ก็ย่อมตกใจและเมื่อมัตสีไปถึงเขาวงกฎจะทำอย่างไรได้เมื่อถึงเวลาเที่ยง ปูงนกก็พากันจับเจ้าป่าใหญ่ก็ครวนกระหึมเป็นที่น่ากลิงกลัวมัสติต้องการไปในป่าใหญ่นั้นทำไมเจ้าเจ้าสู้อุตส่าหติดตามพระพัสดาไปใหญ่จงพาลูกอยู่สวยสมบัติให้เป็นสุขสําราญในพารานี้เถิดณเจ้ามัสติฝ่ายพนางมัสยิเมื่อได้สดับพระดารัสห้ามของพระเจ้ากปุงสัญชัยจึงกราบทูลว่า สิ่งที่น่ากลัวซึ่งพระองค์ชี้แจงนี้ข้ามัตตีก็จะส่งต่อสู้ถึงจะลำบากยากเย็นเป็นประการใดข้ามัตตีก็จะตามเสด็จพระราชสวามีไปข้าแต่พระองค์ผู้เป็นธงชายแห่งประเทศสีทีอังกุมานจะได้สามีนั้นย่อมได้ด้วยวิธีการปฏิบัติเป็นอันมากเป็นต้นว่าอดอาหารเพื่อให้เอวบางร่างน้อยบ้าง หรือเอาไม้ที่มีรูปพันธสันฐานเหมือนคางโคค่อยๆทุกบั้นเอวหรือเอาผ้ารัดที่สีข้างทั้งสองให้สะโพกพึงพายออกไปหรือต้องทนถิงไปแม้ในฤดูร้อนขัดตีกายด้วยน้ำแม้ในฤดูหนาวเพื่อให้ผิวพันธุ์จุคของบ้างต่างๆกันข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทำธรรมดาเป็นหญิงไม้นั้น ย่อมเป็นเรื่องร้ายไม่มีข้อดีเพราะย่อมเป็นที่ดูหมิ่นแห่งนกระเรียงหญิงทั้งหลายเป็นธรรมดาอยู่ว่าแม่น้ำเมื่อไม่มีน้ำก็ชื่อว่าสูญเปล่าวเว้นแคว้นเมื่อป ร, ราศจากกษัตริย์ปกครองก็ย่อมเงียบเหงาศัตรีทั้งหลายเล่าเมื่อเป็นไม้แล้วแม้จะมีพี่น้องตั้งสิบคนก็ย่อมเปล่าเปลี่ยวถึงแม้จะเกลื่อนกลนมากไปด้วยบ่าวไพร่เงินทอง ก็ไม่พ้นจากคำกล่าวล่วงเกินจะได้ฟังแต่คำเสียดสีจากพี่น้องและเพื่อนฝูงอยู่เสมอไปถ้าแต่พระองค์ผู้เป็นธงชัยแห่งชาวสีทีธรรมดาธงชัยย่อมเป็นสง่าของรถธรรมดาไฟย่อมมีควันเป็นปรากฏธรรมดาบ้านเมืองย่อมมีพระราชาเป็นเครื่องเชิดชูธรรมดาหญิงก็มีสามีเป็นเครื่องปรากฏถ้าหญิงใดสามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย สามีสุขก็สุขด้วยยิ่งนั้นย่อมเป็นที่สันตเตือนของเทพพ ย, ยดาและมนุษย์ทั้งหลายสำหรับเกล้ากระหม่อมฉันเมื่อพัดพลาดจากพระเวสสันดรแล้วย่อมไม่ปรารถนาสิ่งใดถึงจะยกสมบัติในพื้นปฐพีทั้งทิ้นให้เกล้ากระหม่อมฉันเกล้ากระหม่อมฉันก็ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นเกล้ากระหม่อมฉันขอติดตามพระเวสสันดรแม้ชีวิตจะบรรลัยก็ไม่ว่า พ ร, พระพเวสสันดร น, นี้มีพระคุณแก่เกล้ากระหม่อมฉันนักหนาเกล้ากระหม่อมฉันจึงขอถวายบังคมลาติดตามไปในกลางตาพร้อมกับพระเวสสันดรด้วยรั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชยัยได้ทรงสดับคําของพระนางมัตรีตีสะพ้ยทูลดังนั้นพระองค์ก็ทรงอัดอั้นตันพระไทยจึงตรัสขอพระนัดดาทั้งสองไว้ด้วยพระวาจาว่า ถ้ามัตรีเต็นใจจะไปให้ได้แล้วก็จงไปเถิดแต่จงทิ้งลูกทั้งสองไว้คือชาลีและกันหาซึ่งยังเล็กอยู่ไว้ให้กับบิดาเถิดบิดาจะบำรุงเลี้ยงไว้ให้มีความสุขสาราญเป็นอันดีจงอย่าได้พากุมารกุมารีทั้งสองนี้ไปในป่าให้ได้รับความลำบากเลยเมื่อพระนางมัตรีได้ทรงสดับก็ทูลคัดค้านว่า เกล้ากระหม่อมฉันจะทิ้งลูกกรักทั้งสองไว้ไม่ได้เป็นดันขาดเกล้ากระหม่อมฉันจะนำลูกทั้งสองไปด้วยเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในยามยากพระพุทธเจ้าค่ะเพราะลูกทั้งสองนี้เป็นที่เสนหาของเกล้ากระหม่อมฉันเมื่อเกล้ากระหม่อมฉันไปอยู่ในกลางป่าก็วะเวเปล่าเปลี่ยวใจเมื่อเห็นหน้าลูกรักทั้งสองนี้แล้วก็จะปลืม้มปิติยินดีหายเศร้าโศก เกล้าขมอมฉันจะทอดทิ้งพระลูกทั้งสองนี้ไว้ไม่ได้ต้องขอนําไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะครั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยได้สดับดังนั้นก็ทรงตรลดพระไทยด้วยทรงอาลัยถึงพระเจ้าหลานก็ทรงยกสองพระราชกุมารกุมาณีขึ้นวางบนตักแล้วตรัสว่าดูก่อนหลานรักของอัยกาเจ้าอยู่ในพระภาราเคยบริโภาคข้าวสารีอันมีรสอร่อย ต่อไปนี้จะได้บริโภคแต่ผลไม้ในกลางป่าหลานรับทั้งสองเคยสเสวยด้วยถาดทองคําอันมีประจําอยู่ในราชตสกูลจกไปสเสวยของที่วางบนใบไม้ในป่าได้อย่างไรหลานทั้งสองเคยทรงแต่ผ้ากาสีและผ้าขมพัดจะทรงผ้าคากรองในป่าได้อย่างไรหลานทั้งสองเคยไปไหนด้วยคานหามบัวทองและอุรถทรง จะต้องเดินดงด้วยเท้าได้อย่างไรเคยประทับนอนในปร า, าสาทอันประเสรศิฐจะไปนอนในโคนไม้ได้อย่างไรเคยนอนบนเครื่องราชอันวิจิตจะไปนอนบนหญ้าได้อย่างไรเคยรูปไร้ด้วยกลิศนาและแก่นจันหอมจะไปรูปไร้ด้วยผงธุรีได้อย่างไรเคยมีผู้พัดวีด้วยแท่จามรีและหางนกยุง จะต้องไปถูกเหลือบยุงกัดในการป่าได้อย่างไรเมื่อประสัตรทั้งสีพระองค์มีพระเจ้ากรุงสัญชัยเป็นต้นสนทนากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างแล้วอำมาตย์จึงนำรถพระที่นั่งอันเรียมด้วยม้าทั้งตีไปจอดเทียบไว้ที่ประตูพระราชวังเพื่อคอยส่งเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตรี พนางมัตตีก็กราบถวายบังคมสมเด็จพระคัติยาธิบดีสีสันชัยธิราชและพนางปุษตีโดยกราบทูลว่าถ้าแต่พระอยกาเจ้าล่ากระหม่อมฉันขอถวายบังคมลาติดตามพระพัตดาไปพร้อมด้วยกุมารทั้งสองนี้ขอให้พระองค์อย่าได้ทรงเจ้าสลดพระไทยเลยเล่ากระหม่อมฉันยังมีชีวิตกราบใด ก็จะบำรุงเลี้ยงกุมารทั้งสองนี้ไปจนฝึกความสามารถกราบนั้นรันแล้วพระนางมัตตีก็ถินพระพักไปอำลาเหล่าร า, ราชกาลยาและพระสนมทั้งหลายแล้วพระนางก็ส่งอุ้มแก้วกันหาจุงชาลีลงจากปราศาสพาพระลูกทั้งสองมายับยั้งคอยท่าพระสวามีอยู่ณมงคลราชรสนั้น บ่ายพระเวทสันดรบรมโภทิสัตเจ้าก็ก้มก้าวถวายบังคมลาพระชนกช น, นีและทรงกระทำประทักตินตามกระบินโบราณสิ้งสามรอบเสร็จแล้วก็สเสด็จครากเคล้าลงจากปร า, าสาทไปทรงราชารถอันเทียมด้วยม้าทั้งตพาพระราชาเทวีกับสองดรุณราชกุมารกุมารีสเสด็จบ่ายพระพักออกจากพระนครเพื่อจะไปสู่เขาวงกต ในเวลาที่ท่งรถออกจากพนคอนนั้นเมื่อทอดพระเนตเห็นมหาชนประชุมกันอยู่ในที่ใดก็ทรงขับรถพระที่นั่งและแวะเข้าไปสั่งลาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอะโรคาโหทะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยเถิดเราจะขออำลาท่านทั้งหลายไปก่อนแล้ว ท่านแล้วพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่ประชาชนตามสมควรแล้วเสด็จขึ้นสู่พิชัยราชรถอันเทียมด้วยม้าทั้งสี่เสด็จขับจากพระพาลาไปเมื่อมหาชนทั้งปวงได้ฟังพระราชลำดัตรดัดอําราดังนี้ต่างก็เต็มเตียมไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้อยู่เต็งแท่ทั้งคนแก่เท่าเด็กเล็กและปานกลางในครั้งนั้น พวกที่เคยรับพระราชทานของและเหล่านักเลงตูราต่างคนก็พากันร่ำร้องปรับทุกซึ่งกันและกันว่าบัดนี้ต้นไม้ใหญ่อันเป็นที่พึ่งของพวกเราได้โค่นล้มลงไปแล้วพวกคนโง่เขลาได้พากันขับพระเวทสันดรผู้เป็นพระเจ้าทรงธรรมของพวกเราทั้งหลายไปแล้วคนทั้งหลายต่างปรับทุกและด่าว่าพวกที่สอพร ที่ไปกล่าวโทษพระเวสสันดรป่ายพระนางพุทธดีราชชนนีทรงดำริอยู่ว่าเวสสันดรลูกรักของเราเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานก็ขอจงได้ให้ทานตามความต้องการเถิดครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงโปรดให้ส่งเกวียนอันบรรทุกไปด้วยแก้วเจ็ดประการพร้อมด้วยวัตถารังการทั้งกวงให้เทียบไว้สองข้างมันคา เพื่อให้เวสันดรพระราชโอรสได้บำเพ็ญทานพระเวสันดรได้ทรงเปรื่องเครื่องอาภรณ์ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นออกพระราชทานแก่ยาจกถึงสิบปดครั้งแล้วได้พระราชทานแก้เจตประการกับสิ่งของทั้งปวงที่พระราชมารดาทรงส่งไปให้จนหมดแล้วก็เสด็จออกจากพระนครไปพอพ้นพระนครไปแลลว เท้าเธอมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรซึ่งพระนครในขณะนั้นปัตภีอันมีเนื้อที่ประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็บรรดาให้ราชรถตรงหมุนกลับโดยหมุนเป็นวงกลมเหมือนกับแป้นของช่างหม้อทําให้รถพระที่นั่งหันหน้ากลับมายัางพระนครเพื่อให้พระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ทอดพระเนตรดูพระราชนิเวศในขณะนั้นก็บังเกิดความอัศจรรย์ พื้นพระสุธาได้แสำแดงอาการวันไหวทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยเดชแห่งพระทานบารมีของพระโพธิสัตว์นั่นเองพระเวสสันดรได้ทอดพระเนตรซึ่งที่ประทับของพระราชบิดาราชมารดาแล้วจึงทรงชี้บอกแก่พระนางมัตสีว่าเชิญดูเถิดมัตสีนั่นแหละเป็นพระราชนิเวศของพระเจ้าสีทีผู้ประเสริฐนั่นวังของเราซึ่งพระราชบิดาทรงประทานให้ ย่อมเป็นที่ประทับอันน่ารื่นรมทีเดียวครั้นเสด็จออกพ้นจากพระนครแล้วหนพระชิญ น, นาสีก็ตรัสสั่งโปรดให้สหาชาติโยธาทั้งหกหมื่คนที่ตามเสด็จไปส่งนั้นกลับไปยังคงเหลือเสด็จไปแต่สี่พระองค์คือพระเวสสันดรพระนางมัตรีพระชาลีและกันหาโดยมีพระเวสสันดรขับราชรถ ไปโดยลำพังเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงขับพิชัยราชรถต่อไปนั้นยังมีพรามสี่คนซึ่งมาไม่ทันรับสัตตะสัตกะมหาทานก็ได้อุตสาห์ติดตามเสด็จมาพระนั้นถึงแล้วก็ทูลขอม้าคนละตัวเมื่อพระเวทสันดรผู้เป็นยอดทานบารมีพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวแล้วแอบรถก็ยังคงค้างอยู่ในอากาศ เห็นปรากฏประจักษ์ตาลำดับนั้นด้วยอํานาจแห่งทานบารมีของพระองค์ก็บันดาลให้เทพบุตรทั้งสี่เนรมิตรเทพเป็นละมั่งทองมารับแอกรถพระที่นั่งนั้นไว้พระองค์ตรัสชี้บอกให้พนางมัตรีดูว่าดูเถิดมัตสีละมั่งทองทั้งสี่นี้เหมือนกับม้าที่ชํานาญอันนายอัาจารย์ได้ฝึกหัดไปดีแล้ว แล้วละมั่งทองเหล่านั้นก็พากันลากรถไปตามหมุนทางลำดับต่อจากนั้นก็ยังมีพราหมอีกคนหนึ่งซึ่งสู้อุตาวิ่งติดตามไปรันถึงแล้วก็ทูลขอราชรถพระโพธิสัตว์เจ้าตรงมีพระไตยยินดียิ่งนักยิ่งพร้อมกับพระมเหสีและพระราชโอรสพระราชธิดาพากันลงจากรถแล้วทรงให้รถนั้นเป็นทานแก่พรามผู้นั้น เมื่อพรามนั้นได้ราชรถนั้นไปแล้วขณะนั้นนั่นเองเทวดาผู้เนรมิตตนเป็นละมั่งทองก็ได้อันตรทานหายไปต่อแต่นั้นประสักรทั้งสี่พระองค์ก็ทรงดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าจึงตรัสกับพระนางมัสตีว่าจูก่อนแม่มัตรีเธอจงอุ้มกันหาจีนานาตซึ่งยังน้อยเบาแรงส่วนที่จะอุ้มชาลีค่อนข้างหนัก รั้นตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงอุ้มพระโอรสยอดสงสารส่วนพระนางมัต ส, สีก็อุ้มธิดายาวมานพากันเสด็จ ด, ดำเนินตามมันคาตังดานตรัสปาใสซึ่งพจนานต์บรรหารด้วยปิยะวาจาอัอ่อนหวานน่ารักใคร่ต่อกันเสด็จไปตา ม, มุนทางด้วยประการลัชนีอาตมภาพรับประทานวิสศัชนา กแสดงพระสัธรรมเทศนาในพระเวสสันดรชาดกกันที่สามทานากันก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เชิญรับฟังกันที่สี่สื่ต่อไป